สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมไดทอกรคคนชอบเล่าวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดความคิดของบุคคลคนหนึ่งต่อบุคคลที่สอันเป็นความคิดตามธรรมดาของชาวโลกอย่างเราๆแต่เรื่องที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับความคิดของบุคคลคนนี้คิดว่ามันมีแง่คิดเรื่องมีอยู่ว่าดาวันได้เข้าสมัครทางานในบริษัทเล็กแห่งหนึ่ง และเธอก็ได้รับโอกาสให้ทำงานเป็นเลขาของชาคริตชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ดาวันตั้งใจทำงานมากเธอรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดที่ได้งานนี้ทำหน้าที่ของดาวันก็คือเข้าไปจัดห้องทำงานและเตรียมพร้อมไปก่อนที่ชาคริตจะเข้ามาที่บริษัทและคอยเป็นมือขวาคอยช่วยติดต่อประสานงานต่างๆการจัดห้องทางานให้กับชาคริตทาให้ดาวันรู้ว่าเจ้านายของเธอแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้ว พระชาคิดได้ตั้งรูปถ่ายที่ถ่ายร่วมกับภรรยาและลูกสาวเอาไว้บนโต๊ะทํางานด้วยภรรยาของคุณชาคิดสวยมากลูกสาวก็น่ารักน่าชันคุณชาคิดคงรักครอบครัวของเขามากดาวันคิดอยู่ในใจกับตัวเองภายหลังเธอจึงได้รู้ว่าภรรยาของเจ้านายชื่อว่ากัญญาและเมื่อเวลาผ่านไปถึงสเดือนดาวันก็จับข้อสังเกตอย่างหนึ่งได้เธอไม่เคยเห็นว่ากัญญามาหาชาคิดที่บริษัทเลยแม้แต่ครั้งเดียว ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าเธอจะไม่ออกจากบ้านของเธอเลยเพราะดาววันเคยเห็นเจ้านายของเธอแอบแวบไปตามห้างสรรพสินค้าในเวลาพักเที่ยงอยู่บ่อยๆเพื่อหาซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้าบ้านบางครั้งทงั้งที่งานก็ยุ่งมากแต่ถ้ามีโทรศัพท์จากคุณกันยามาสั่งซื้อของแล้วก็ชาคิตก็จะหาเวลาไปซื้อสิ่งนั้นมาเก็บไว้ในรถแล้วค่อยนํากลับไปให้เธอตอนเย็นที่บ้านดาววันเฝ้าม อ, องการกระทําของเจ้านายด้วยความแปลกใจ เหตุใดเนาะผู้ชายคนหนึ่งยอมทําทุกอย่างเพื่อภรรยาของตนเองได้ขนาดนี้เธอไม่เคยเห็นบ่าวสามีของคนคนไหนเป็นแบบชาคริตมาก่อนและก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนไม่ยอมทําอะไรเองเลยสักอย่างแบบกันยาวันหนึ่งชาคริตงานยุ่งมากเขามีประชุมด่วนติดต่อมาถึงสแห่งจึงได้ไวาวันให้ดาวันไปช่วยรับลูกสาวจากโรงเรียนอนุบาลและซื้อของใช้บางอย่างกลับไปให้ภรรยาของเขาที่บ้านด้วยได้คารเจ้านายดาววันยิ้มและรับคํา แต่ในใจก็นึกอิจฉากัญญาว่าทำไมถึงเกิดบัสบายอย่างนี้นะและเป็นที่รักของสามีอย่างนี้ไม่ว่าจะทำอะไรอยากได้สิ่งไหนสามีก็จัดให้หรือไม่ก็ทำให้หมดไม่เห็นจะต้องทำอะไรสักอย่างเลยคุณส่งลูกสาวผมแค่หน้าปักซอยก็พอนะผมโทรไปบอกให้พี่เลี้ยงของเขาออกมารอรับอยู่แล้วข้าของที่ซื้อมาก็ฝากไว้กับพี่เลี้ยงกลับไปได้เลยนะครับชาคริสบอกดาวันถดาวันรับคา แต่ในใจก็นึกปรามาทคุณกัญญาขึ้นมาอีกว่าแม้แต่ลูกของตัวเองก็ยังไม่ออกมารับผู้หญิงคนนี้นี่ไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยหรือไงนะนับวันดาวันจะอิจฉากัญญามากขึ้นเจ้านายของเธอเองก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะเคยปริปากบ่นถึงภรรยาของเขาสักครั้งมีหนาซ้ํายังดูเหมือนเขาจะมีความสุขที่ได้ทําทุกๆอย่างให้กับภรรยาและลูกด้วยตัวเองอีกด้วยดาวันก็ได้จะคิดอิจฉากัญญาเสียจริงๆนี่เธอจะมีโอกาสได้สามีแสนดีอย่างนี้บ้างไหมเนี่ยวันหนึ่ง กัญญาโทรศัพท์เข้ามาขอสายสามีแต่ชาคิดไม่อยู่ดาวันจึงเป็นผู้รับสายเธอบอกไปว่าคุณชาคิดไปพบลูกค้าค่ะติดต่อไม่ได้สงสัยว่าคงจะปิดโทรศัพท์มือถือไปแล้วล่ะค่ะแย่ yeah, จริงดิฉันต้องการความช่วยเหลือจากเขาสิด้วยสิเสียงของกัญญาบอกมาดาวหวันรู้สึกไม่พอใจผู้หญิงคนนี้เนี่ไม่คิดจะทําอะไรเองเลยหรือไงเนี่ยต้องให้สามีคอยช่วยตลอดเลยแต่ดาววันก็พูดออกไปอย่างรักษาบาราญาว่า คุณกัญญามีอะไรเดือดร้อนแหละคะให้ดิฉันช่วยแทนไหมดิฉันปวดฟันมากเหลือเกินค่ะอยากให้สามีพาไปหาหมอฟันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกินยาแก้ปวดไปพังๆก่อนค่ะถ้าเข้ามาแล้วรบกวนคุณช่วยบอกเขาให้รีบกลับบ้านด้วยนะคะดาวันวางสายโทรศัพท์อย่างงุนงิดใจทำไมเนาะจำนายของเธอถึงได้ไปเลือกผู้หญิงอย่างนี้มาเป็นภรรยานะดูแต่ตัวเธอสิขยันขันแข็งทำงานสารพัด แต่ไม่เห็นจะมีผู้ชายดีดๆมาชอบสักคนสวรรค์ช่างมียุติธรรมเอาซะเลยผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงชาคิตก็ยังไม่กลับมาแม้ดาวันจะไม่พอใจกันยาแต่เธอก็รู้สึกว่าคนที่เป็นเลขาควรจะทาทุกอย่างแทนเจ้านายได้ดังนั้นดาวันจึงตัดสินใจขับรถไปหากันยาที่บ้านเผื่อว่าจะพอช่วยแบ่งเบาภาระอะไรให้กับชาคิตได้บ้างเมื่อไปถึงดาวันไม่เห็นใครอยู่ในบ้านเลย กดกริ่งเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนออกมาเปิดประตูรับดาวหันจึงลองผลักประตูรั้วดูประตูก็ไม่ได้ใส่กุญแจไว้เธอจึงเดินเข้าไปในบ้านพยายามมองหาใครสักคนจนมาถึงห้องห้องหนึ่งเธอได้ยินเสียงพูดของผู้หญิงที่อยู่ภายในห้องร้องขึ้นมาอย่างดีใจว่าคุณคะคุณกลับมาแล้วหรือคะฉันรอคุณตั้งนานแล้วเนี่ยดาวหันจําได้ว่าเสียงนี้คือเสียงของกันยาเธอตอบกลับไปว่าไม่ใช่ค่ะคุณกันยาดิฉันดาหวัน เลขาของคุณชาคิดค่ะตอนนั้นเองที่กันยาผลักประตูเปิดออกมาดาวันจึงได้เห็นกันยาภรยาของเจ้านายเป็นครั้งแรกดาวันตกใจเผลอหลุดปากร้องมาว่าคุณพระช่วยกันยามีหน้าตาที่งดงามดังเช่นในภาพท่ายแต่เธอต้องนั่งรถเข็นเพราะเธอไม่มีขาทั้งสองข้างคุณดาวันมาถึงที่นี้มีอะไรหรือเปล่าคะกันยาถามดูเหมือนว่าเธอจะไม่ถือสากับคาบุทานนั้นเลยเออเออ คุณชาคริตยังไม่กลับมาเลยค่ะดิฉันก็เลยแวะมาดูคุณกัญญาเองเผื่อว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกัญญาจึงตอบว่าขอบคุณมากนะคะดิฉันปวดฟันมากจริงๆแต่ก็มีแค่ชาคริตเท่านั้นแหละที่จะพาดิฉันไปได้เพราะว่าเขาแข็งแรงพอที่จะอุ้มดิฉันลงจากรถเข็นได้และยังพับเก็บรถเข็นได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยแต่สาหรับคนอื่นดิฉันคงกลัวเป็นภาระมากทีเดียวค่ะ จากนั้นกัญญาจึงเชิญดาวันให้ไปทไี่ห้องรับแขกและเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเธอให้ดาวันฟังเธอเล่าว่าเธอได้แต่งงานกับชาคิดได้สมปีมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนคืนหนึ่งเราสองคนขับรถกลับจากต่างจังหวัดและเกิดอุบัติเหตุอาการสาหัสทั้งคู่คุณชาคิดนั้นรักษาตัวจนหายดีแต่ตัวเธอต้องเสียขาทั้งสองข้างไปไดิฉันเสียใจด้วยนะคะดาวันเอ่ยปากบอกมา และรู้สึกสงสารกัญญาขึ้นมาอย่างจับใจกัญญายิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรลรกค่าตอนนี้ดิฉันไม่เสียใจอีกแล้วที่ต้องเสียขาทั้งสองข้างไปเพราะว่าสิ่งนี้นี่เองทําให้ดิฉันได้รู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกมีสามีที่ดีซึ่งรักและจริงใจกับดิฉันมากไม่ทอดทิ้งกันแม้ในายามยากเมื่อกัญญาพูดจบชาคิตก็ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีเขามองดาวันด้วยความแปลกใจ เพราะไม่คาดคิดว่าจะมาพบเธอที่นี่ได้ก่อนที่จะตรงเข้ามาหอมแก้มภรรยาและถามเธอว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณกัญญาเปิดฟันมากค่ะเจ้านายดาวันบอกไปดิฉันแวะมาดูแต่ก็ไม่อาจะช่วยอะไรเธอได้คงมีแต่เจ้านายเท่านั้นแหละคะที่ทําหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดดาววันตอบแทนกันยาและขอตัวลากลับชาคริสจิงอาสาเดินมาส่งเธอที่หน้าบ้านพร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณมากนะครับคุณดาวัน ที่อุตส่าห์แวะมาดูภรรยาของผมถ้าไม่รังเกียจคุณจะแวะเข้ามาคุยกับเธอบ่อยๆเนี่ยก็ได้นะถ้าทางกันยาจะชอบคุณมากเพราะว่าตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุมาเธอก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนคนไหนอีกเลยดาวันยิ้มและตอบชาคิดว่าดิฉันเองก็ชอบคุณกันยามากเช่นกันค่ะแล้ว่าจะแวะมาคุยกับเธอบ่อยๆแน่นอนค่ะดาหวันคิดที่จะทําอย่างที่พูดจริงๆเธอรู้สึกผิดมากที่เคยอิจฉากันยา โดยไม่รู้ว่ากันยาต้องตกอยู่ในสภาพที่ลำบากขนาดไหนต่อไปดาวันจะทำดีกับกันยาให้มากและขอเป็นเพื่อนที่จริงใจที่สุดคนหนึ่งของเธอเรื่องนี้สอนใจว่าความอิจฉาไม่ทำให้ใครมีความสุขขึ้นมาได้ความอิจฉาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความคิดที่ไม่ดีและความคิดที่ไม่ดีก็มักจะบีบรัดหัวใจของเราผู้คิดให้เจ็บแสนสาหัสเจ็บปวดแต่หากเราเจ็บเพราะความอิจฉา ก็มีแค่วิธีเดียวที่จะทําให้เรารอดพ้นจากความเจ็บนั้นก็คือเลิอกอิจฉาเสียเมื่อเห็นใครได้ดีมีความสุขก็จงร่วมยินดีไปกับเขาเถิดอย่าได้อิจฉาอย่าได้เฝ้ารอวันที่ความสุขของเขาจะจางลงไปใช่ละ่ะบางคนดูเหมือนจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาแต่รู้หรือเปล่าว่าสาหรับบางคนความสุขที่ทาให้หลายๆคนต้องอิจฉาเพรคิดไม่ดีกับเขานั้น มันอาจจะเป็นเรื่องดีๆเพียงเรื่องเดียวที่ทางชีวิตของเขาเพิ่งจะเคยพบเคยเจอมาก็ได้และจะไปซ้ำเติมเขาด้วยความอิจฉาของเราอีกทาไมจงร่วมดีใจในความสุขของผู้อื่นเสมือว่านั่นคือความสุขของเราเองและเราจะได้รับความสุขจากสิ่งนั้นโดยไม่ต้องขนขวายให้เหนือแรงอย่างใดเลยเรื่องเล่าเกี่ยวกับคุณดาวันและกัญญากับชาคริตก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็มีอาจทราบได้ครับแต่ระหว่างที่ผมได้เล่าเรื่องนี้มันมีความรู้สึกร่วมกับเรื่องนี้มากและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ